ทรงอนุ ญ, ญาตให้ฉันปรำพระโพชนาได้ในสมัยที่ถวายจีวนร้อยสมสมัยนั้นพวกชาวบ้านตรัเตรียมพัทหารพร้อมจีวรนในสมัยที่จะถวายจีวรแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าพวกเรานิมนต์ภิกษุทั้งหลายฉันแล้วจะให้ครองจีวรนภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันปรำพระโภชนาะไม่รับนิมนต์จึงได้จีวนเพียงเล็กน้อย